แผไปยังสัตว์โลกทั้งปวงเพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่าในที่ทั้งปวงอยู่ติส ก, กะมาติ ก, กาปุจชาทุกกะมาติ ก, กาปุจชาบรรดาอปมัญญาสี่อปมัญญาเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยกฤรเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้หนึ่งติกกะมาติ ก, กาวิสัชนา หนถึงยี่สสอปุชะติกาที่วิสัชนาอปมัญญาสี่ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอภัยกฤิตก็มีอปมัญญาสามสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอุเบคาสัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาอปมัญญาสี่ที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีอปมัญญาสี่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 อุเบกขาไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อัปมัญญาสามที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาที่กล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วยปีติก็มีอุเบกขาสหรคตด้วยอุเบกขาอัปมัญญาสี่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามอปมัญญาสี่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก และมักเพื่มบนสามอปมัญญาสี่ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติข้อมีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีอปมัญญาสี่ไม่เป็นของเสขคบุคคลและเสขะบุคคลอปมัญญาสี่เป็นมหัคตะกล่าวไม่ได้ว่ามีปริตะเป็นอารมณ์มีมหัคตะเป็นอารมณ์หรือมีอปมานะเป็นอารมณ์อปมัญญาสี่เป็นชั้นกลาง อปมัญญาสีให้ผลไม่แน่นอนกล่าวไม่ได้ว่ามีมักเป็นอารมณ์มีมักเป็นเหตุหรือมีมักเป็นอธิปดีอัปมัญญาสี่ properly. ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีอปมัญญาสี่ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีกล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธ ร, รรมเป็นอารมณ์มีอานาคตธรรมเป็นอารมณ์ หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์อปมัญญาสี่ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีอัปมัญญาสี่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์อปมัญญาสี่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้สองทุกปะมาติกาวิสัชนาหนึ่งเหตุถูโคจกกวิสัชนาเมตตาเป็นเหตุอปมัญญาสามไม่เป็นเหตุ อปามัญญาสี่มีเหตุอปามัญญาสีสัมพยุด้วยเหตุเมตตาเป็นเหตุและมีเหตุอัปามัญญาสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุอปามัญญาสามมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเมตตาเป็นเหตุและสัมพยุด้วยเหตุอัปามัญญาสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมพยุด้วยเหตุอปามัญญาสามสัมพยุด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอัปามัญญาสามไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ เมตากล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุสองจุลันตระทุกกะวิจัชนาอัปมัญญาสี่มีปัจจัยปรุงแต่งอปมัญญาสีถูกปัจจัยปรุงแต่งอปมัญญาสีเห็นไม่ได้อปมัญญาสีกระทบไม่ได้อปมัญญาสีไม่เป็นรูปอปมัญญาสีเป็นโลคิยะ อปมัญญาสี่จิตบางดวงรู้ได้อปมัญญาสี่จิตบางดวงรู้ไม่ได้สอาสวะโคจกะวิสัชนาอัปมัญญาสีไม่เป็นอาสวะอปมัญญาสี่เป็นอารมณ์ของอาสวะอปมัญญาสีวิปยุจจากอาสวะอปมัญญาสี่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะอปมัญญาสี่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ อปมัญญาสี่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสาวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสาวะหรือสัมปยุทธ์ด้วยอาสาวะแต่ไม่เป็นอาสาวะ Ooh. อปมัญญาสี่วิปยุทธ์จากอาสาวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะสี่ถึงสิบสองสัญโยชนะโคชกาธิวิสัชนาอัปมัญญาสี่ไม่เป็นสังโยตไม่เป็นคันถะไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรไม่เป็นปรามาธ อปมัญญาสีรับรู้อารมณ์ได้อปมัญญาสีไม ja ่เป็นจิตอปมัญญาสีเป็นเจตสิกอปมัญญาสีสัมพยุด้วยจิตอัปมัญญาสีรัคนกับจิตอปมัญญาสีมีจิตเป็นสมุทฐานอัปมัญญาสีเกิดพร้อมกับจิตอปมัญญาสีเป็นไปตามจิตอปมัญญาสีรัควกับจิตและมีจิตเป็นสมุฐาน อปมัญญาสีรัรคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตอปมัญญาสี่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตอปมัญญาสี่เป็นภายนอกอปมัญญาสี่ไม่เป็นอุปาทยรูปอปมัญญาสีเที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีสิบสาม เปิดทิฐุกปะวิสัชนาอปมัญญาสีไม่เป็นอุปาทานไม่เป็นกิเลสอปมัญญาสีไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่อบนสามอปมัญญาสีไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่อบนสามอปมัญญาสามที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีอุเบกขาไม่มีวิตกอปมัญญาสามที่มีวิจารก็มีที่ไม่มีวิจารณก็มี อุเบกขาไม่มีวิจารณ์อปมัญญาสามที่มีปิติก็มีที่ไม่มีป bon ิติก็มีอุเบกขาไม่มีปิติอปมัญญาสามที่สหรตด้วยปิต <Ellis> ิก็มีที่ไม่สหรตด้วยปิติก็มีอุเบกขาไม่สหรคตด้วยปิติอปมัญญาสามสหรคตด้วยสุขอุเบกขาไม่สหรคตด้วยสุขอปมัญญาสามไม่สหรคตด้วยอุเบกขา อุเบกขาสะหรคต้อุเบกขาอปมัญญาสีไม่เป็นกามาวจรอปมัญญาสีเป็นรูปาวจรอปมัญญาสีไม่เป็นรปอรูปาวจรอปมัญญาสีเป็นโลคียะอปมัญญาสีไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์อปมัญญาสีให้ผลไม่แน่นอนอปมัญญาสีมีธรรเอื่ยนยิ่งกว่าอปมัญญาสีไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ ปัญหาปุจกะจบอปมัญญาวิพังจบบริบูรณ์สิบสี่เสืขาปัทวิพังหนึ่งอภิธรรมภาชนีศสกอขาบทห้าคือ หนึ่ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบท 2. องทินนาธานาเวรมณีสิกขาบท 3. กามีสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาบท 4. มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท 5. สุราเมิรยมัชชปมาทัตฐานาเวรมณีสิกขาบทบรรณาสิกขาบท5นั้น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 ความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจขั้วเกิดขึ้นนี้เรียกว่าปานาติปาตาเว ร, รมณีสสกขาบทสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยเจตนาปานาติปาตาเว ร, รมณีสสกขาบทเป็นไนจิต ท, ที่เป็นกางมาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคต ด, ด้วยสมณัตสัมปยุทธ์ด้วยญาณ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 สหรฆด้วยสมนัสวิปยุจจากยานสหรฆด้วยสมนัสวิปยุจจากยานเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยอุเบกขาสัมปยุจด้วยยานสหรฆด้วยอุเบกขาสัมปยุจด้วยยานเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรฆด้วยอุเบกขาวิปยุจจากยานสหรฆด้วยอุเบกขาวิปยุจจากยานเกิดขึ้นแฝดบุคคลผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์โดยมีเหตุชักจูง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 ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบทเป็นไงจิต ท, ที่เป็นกามวจรซึ่งเป็นกุศลสหะรโคตุอุเบขาวิปยุตจากยานเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์โดยมีเหตุชักจูงในสมัยใดในสมัยนั้นความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจคว่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปานาติปาตาเวรมณีสิทขาบท สภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยเจตนาปานาติปาตาเว ร, รมณีศึกขาบทเป็นไนจิต ท, ที่เป็นกลามวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคด้วยอุเบคาวิปยุทธจากยานเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์โดยมีเหตุชักจูงในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะปัคคาหะและวิเคปะก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่า ปานาติปาตาเวรมณีศิขาบทอาทินนาทานาเวรมณีศิขาบทและถึงปามสุมิชาจาราเวรมณีศิขาบทมุสาวาทาเวรมณีศิขาบทสุราเ ม, รมิะระมะชปปะมาทัตฐานาเวรมณีศิขาบทเป็นไนจิตที่เป็นกลามวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคต ด, ด้วยสมนัติสมปยุทธ์ด้วยญาณเกิดขึ้นแก่บุคคล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 อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าสุราเมรยมัชฌะประมาทัศานาเวรมณีศึกขาบทสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยเวรมณีสุราเมรยมัชฌะประมาทัศานาเวรมณีศึกขาบทเป็นไงจิต ท, ที่เป็นการมวจอนซึ่งเป็นกุศลสหะระโคด้วยสมณะสัมปยุทธ์ด้วยญาณ เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้งดเว้นจากการเดิมน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในสมัยใดในสมัยนั้นความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าสุราเมรยมัชะระมาทัฐานาเวรมณีสิคาบทสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมพ ย, ยุด้วยเจตนา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 สุราเมรยะมะชะปมาทฐานาเว ร, รมณีสุขาบทสุราเมรยะมะชะปะมาทฐานาเว ร, รมณีสุขาบทเป็นไนจิตที่เป็นกลามวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคตด้วยสมณัติสำปรยุทธ์ด้วยญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยสมณัตวิประยุจจากญาณสหรคตด้วยสมณัตวิประยุจจากญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูง สหรคตอุเบกขาสัมปยุตด้วยญาณสหรคตอุเบกขาสัมปยุตด้วยญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรูปอุเบกขาสัมปยุตด้วยญาณสหรูปดอุเบกขาวิปยุตจากญาณเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทโดยมีเหตุชักจูงในสมัยใดในสมัยนั้นการงดการเว้น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 สภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยเวรามณีสุราเมรยมัจะปะมาทัฐานาเวรามณีเสขาบทเป็นไฉนจิต ท, ที่เป็นกลามวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคดุอุเบกขาวิปยุทธจากยานเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาเคยสุราและเมรัยมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทโดยมีเหตุชักจูงในสมัยใดในสมัยนั้น ความจงใจคุริยาที่จงใจภาวะที่จงใจก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าสุราเมรยามะชะปะมาทัฐานาเว ร, รมณีสิกขาบทสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยเจตนาสุราเมรยามะชะปะมาทัฐานาเว ร, รมณีสิกขาบทเป็นไนจิต ท, ที่เป็นกลามวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคตด้วยอุเบขาวิปยุทธจากยาน เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาเพอสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทโดยมีเหตุชักจูงในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอักคาหะและอวิเขปะก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าสุราเมรยาแมชะระมาทฐานาเวรมณีสิกขาบทสิกขาบท5คือหนึ่งปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบท สองอธินนาทานาเวรมณีสิกขาบทสาราเมสุเมชาจาราเวรมณีสิกขาบท 4. มุสาวาธาเวรมณีสิกขาบท 5. สุราเมริ亚马ชะปามาทฐานาเวรมณีสิกขาบทบรรดาสิกขาบท5นั้นปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบทเป็นฉไนจิตที่เป็นกลามวจรซึ่งเป็นกุศลสหรโคตด้วยโสมนัส สัมบัญญัตด้วยยานเป็นชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปรนนทาณีป ollar, ปเป็นชั้นทาธิปไตยวิริยาทิปไตยจิตตาธิปไตยวิมังสาธิปไตยเป็นชั้นทาธิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณีเป็นวิริยาทิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณีเป็นจิตตาธิปไตยชั <im <im ้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณีเป็นวิมังสาธิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณี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 ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบทเป็นไนจิตที่เป็นกามวจรซึ่งเป็นกุศลสหรูโคดด้วยสมนัตสสมปรยุทธ์ด้วยยานเป็นชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณีเป็นชั้นทาธิปไตยวิริยาทิปไตยจิตตาทิปไตยวิมังสาธิปไตยเป็นชั้นทาธิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณีเป็นวิริยาทิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณี เป็นจิตตาทิปตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณีเป็นวิมังสาทิปตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณีเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ในสมัยใดในสมัยนั้นความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปานาติปาตาเวรมณีเจขาบทสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยเจตนา ปานาติปาตาเวรมณีเสขาบทเป็นไนจิตที่เป็นกลามวจรซึ่งเป็นกุศลสหโรคด้วยโสมนัสสัมปยุทธ์ด้วยยานเป็นชั้นต่ําชั้นกลางชั้นปราณีเป็นชั้นทาธิปไตยวิริยาธิปไตยจิตตาธิปไตยวิมังสาธิปไตยเป็นชั้นทาธิปไตยชั้นต่ําชั้นกลางชั้นปราณีเป็นวิริยาธิปไตยชั้นต่ําชั้นกลางชั้นปราณี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 จิต ท, ที่เป็นกลามวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคตด้วยโสมนัสสมปยุทธ์ด้วยญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยโสมนัสวิประยุทธ์จากญาณสหรคตด้วยโสมนัสวิประยุทธ์จากญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรฆด้วยอุเบกขาสำปรยุทธ์ด้วยญาณสหรฆด้วยอุเบกขาสำปรยุทธ์ด้วยญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยอุเบกขาวิปยุทธ์จากญาณ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 พัสสะปัก ค, คาหะและอวิเคปะก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบทอธินาทานาเวรมณีสิกขาบทและถึงกราเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาบทมุสาวาทาเวรมณีสิกขาบทสุราเมรยามัชฌะปมาทัฐานาเวรมณีสิกขาบทเป็นไนจิต ท, ที่เป็นกรมามวจรซึ่งเป็นกุศล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 คือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าสุราเมริยมัชะประมาทฐานาเวรมณีสักขาบทสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยเวรมณีและถึงสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยเจตนาผัสสะปัคาหะและอวิเขปะเพเกิดขึ้นนี้เรียกว่า สุราเมริ亚马ชะปมาทฐานาเวรมณีนสิกขาบทสุราเมริ亚马ชะปมาทฐานาเวรมณีนสิกขาบทเป็นไนจิตที่เป็นกลามวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคตด้วยโสมนัสสำปรยุทธ์ด้วยญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยโสมนัสวิปยุทธจากญาณสหรคตด้วยโสมนัสวิปยุทธจากญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูง สหร mm ูปด้วยอุเบกขาสัมปยุตด้วยญาณสหรูปด้วยอุเบกขาสัมปยุตด้วยญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรูปด้วยอุเบกขาวิปยุตจากญาณสหรูปด้วยอุเบกขาวิปยุตจากญาณเป็นชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณีเป็นชั้นทาธิปไตยวิริยาธิปไตยจิตตาธิปไตยเป็นชั้นทาธิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณี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 ปักคาหะและอวิเคปะก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าสุราเมระมชปประชะปมาทัฐานาเวรมเนสิกขาบทสภาวธรรมที่เป็นสิกขาสภาวธรรมที่เป็นสิกขาเป็นไนจิตที่เป็นกามวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคตรด้วยสมนัตสัมพยุทธ์ด้วยญาณมีรูปเป็นอารมณ์ละถึงมีธรรมเป็นอารมณ์ หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นศิกขาสภาวธรรมที่เป็นศึกขาเป็นไนจิต ท, ที่เป็นกลามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหอรคคด้วยโสมนัสซัมปยุทธ์ด้วยญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหอรคตด้วยโสมนัสวิปยุทธจากญาณ สหรูปโคด้วยโสมนัสวิปยุจจากยานเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหร meaning, <True. S 2> ูปโคด้วยโอเบขาสัมปยุจด้วยยานสหรูปโคด้วยอุเบขาสัมปยุจด้วยยานเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรูปโคด้วยอุเบกขาวิปยุจจากยานสหรูปโคด้วยอุเบขาวิปยุจจากยานมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารภอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงในสมัยใด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 บรรลุปโมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปฏาทาธันทาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นสิกขาอภิธรรมมพาชนีจบ สปัญหาปุจจกะเศรษฐาบท5คือ 1. ปาณาติปาตาเวรมณีเศคาบท 2. องธินนาทานาเวรมณีิกขาบทสามกามสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาบท 4. มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท 5. สุราเ ม, รมิปประมะชาปมาทฐานาเวรมณีสเกขาบท เตึ ก, กะมาติกาปุจชาทุกกะมาติกาปุจชาบรรดาสิกขาบทห้าสิกขาบทเท่าไหร่เป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยากฤิเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้อง่ายเท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้อง่ายหนึ่งเตึ ก, กะมาติกาวิสัชนาหนึ่งถึงยี่สสองกุศลเติกาที่วิสัชนาสิกขาบทห้าเป็นกุศลอย่างเดียว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 ที่สห์รคตด้วยสุขก็มีที่สห์รโค ด, ด้วยอุเบกขาก็มีเศรษฐาบทห้าไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเศรษฐาบทหไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเศรษฐาบทหเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเศรษฐาบทหไม่เป็นของเศข่าบุคคลและอเสข่าบุคคลเศรษฐาบทห้าเป็นปริตะ เสศขาบทห้ามีปริตตะเป็นอารมณ์เศกขาบทห้าเป็นชั้นกลางสศกขาบทห้าให้ผลไม่แน่นอนสศกขาบทห้ากล่าวไม่ได้ว่ามีมักเป็นอารมณ์มีมักเป็นเหตุหรือมีมักเป็นอธิบดีเศกขาบทห้าที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนเศกขาบทห้าที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มี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 สิกขาบทห้าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุสิกขาบทหสัมปยุด้วยเหตุแต่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุสิกขาบทห้ามีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุแต่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุด้วยเหตุสิกขาบทห้าสัมปยุด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุหรือไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ 2. จุลันตระทุกกวิสัชนาสิกขาบทหมีปัจจัยปรุงแต่ง สิกขาบทห้าถูกปัจจัยปรุงแต่งสิกขาบทห้าเห็นไม่ได้สิกขาบทห้ากระทบไม่ได้สิกขาบทห้าไม่เป็นรูสิกขาบทห้าเป็นโลกียะสิกขาบทห้าจิตบังดวงรู้ได้สิกขาบทห้าจิตบังดวงรู้ไม่ได้สาอาสวะโคจกกวิสัชนาสิกขาบทห้าไม่เป็นอาสวะ สิกขาบทหเป็นอารมณ์ของอาสวะสิกขาบทหวิปยุตจากอาสวะแต่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะสิกขาบทหเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสิกขาบทหกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะหรือสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสิกขาบทหวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะ สถึงสิสองสัญโยชนะโภชกาธิวิสัชนาเสกขาบทห้าไม่เป็นสังโยชตไม่เป็นคันทะไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรไม่เป็นปรามาตเสกขาบทห้ารับรู้อารมณ์ได้สสกขาบทห้าไม่เป็นจิตสสกขาบทห้าเป็นเจตสิกสสกขาบทห้าสัมปยุทธ์ด้วยจิตสสกขาบทห้ารักคนกับจิต เสื้ขาบทห้ามีจิตเป็นสมุฐานศสก้ขาบทห้าเกิดพร้อมกับจิตศสก้ขาบทห้าเป็นไปตามจิตศสก้ขาบทห้ารักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฐานศสก้ขาบทห้ารักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฐานและเกิดพร้อมกับจิตสืกอขาบทห้ารักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฐานและเป็นไปตามจิตศสก้ขาบทห้าเป็นภายนอกศสก้ขาบทห้าไม่เป็นอุปาทายรูป เสือขาบทห้ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเสือขาบทห้าไม่เป็นอุปาทานไม่เป็นกิเลส 13. บสามปิติทุกขะวิจัชนาะเสือขาบทห้าไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้อมบนสาสืกขาบทห้าไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามเสือขาบทห้ามีวิตกเสือขาบทหมีวิจารณ์ เสือขาบทห้าท ma. <No. ี่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีสืกขาบทห้าที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีสืกขาบทห้าที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีเสือขาบทห้าที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีเสือขาบทห้าที่สหรคตด้วยอุเบขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบขาก็มี เสือขาบทห้าเป็นกามวจรสืกขาบทห้าไม่เป็นรูปาวจรเสือขาบทห้าไม่เป็นอรูปาวจรเสือขาบทห้าเป็นโลกียะสืกขาบทห้าไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์สืกขาบทห้าให้ผลไม่แน่นอนเสือขาบทห้ามีธรรมอื่นยิ่งกว่าสืกขาบทห้าไม่เป็นเหตุให้สัตร้องให้ปัญหาปุจจกะจบ สืกขาปทาวิพังจบบริบูรณ์